Thank you. เราสวดมนต์นะก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ศึกษาทำไปในตัวด้วยเราไม่ได้สวดเพียงแค่เอาความคลัง่งความศักดิ์สิทธิ์หรือเพื่อความสงบในจิตใจ ย, ยิ่งถ้าเรารู้ความหมายนะของบทสวด น, นี้ก็เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้ธรรมะไปในตัวด้วยคนเราเรียนรู้ธรรมะได้หลายอย่างนะ เรียนรู้ท ร, รมาจากการฟังนี่ก็ใช่ที่สำคัญก็คือเรียนรู้รรมาจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแตล่ตละขณะแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาทมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะ หลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกน ะ, ะรู้สึกทุกข์นะทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะาอากาศมันหนาวผู้อย่นนี่คือว่าทุกข์เพราะว่ากายมันหนาวแต่จริงจริงถ้าดูให้ดีเนี่ยนะขณะที่ขณะนี้เนี่ยเราไม่ใช่แค่ทุกข์กายนะส่วนใหญ่จะมีความทุกข์ใจ ควบคู่ไปด้วยเวลาบอกว่าเนี่ยหนาวนี่คือหนาวกายเนี่ยจริงๆใจเราก็หนาวด้วยนะตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ทุกกายอย่างเดียวนะทุกใจด้วยทุกที่ว่านี่คือทุกขเวทนานะมันเป็นเรื่องความรู้สึกสุขทุกนะ น, น, นี่เวทนาเวลามีอากาศหนาวเนี่ยเราก็มักจะรู้สึกได้หรือคิดว่า กายมันหนาวนะก็เลยเป็นทุกข์แต่ที่จริงถ้าดูดีๆเนี่ยนะมันมีความทุกข์อีกตัวหนึ่งซ้อนขึ้นมานะก็คือความทุกข์ใจลองสังเกตบ้างนะสังเกตเห็นหรือเปล่าทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวแ น, น่้วยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะนะ ดูดีๆเนี่ยทุกใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกดินร้ายไม่พอใจกับอากาศที่หนาวมันไม่พอใจนะที่กายมันหนาวนะและมีความทุกข์ขึ้นมามันมีความรู้สึกพยายามผลักไสให้ความรู้สึกหนาวที่เกิดขึ้นกับกายให้ตรงนี้ต่างหากที่ทําให้ทุกนะตรงนี้ต่างหากที่ทําให้ทุกใจนะ ไม่ใช่เพราะอากาศหนาวไม่ใช่เพราะกายมันหนาวนะแต่ว่าใจมันเนี่ยมันไม่มันไม่พอใจนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับเราในขณะนี้ลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวนะมารู้สึกอย่างไรนะเมื่อกายเป็นทุกข์ไอความรู้สึกที่เป็นลบนะความรู้สึกนร้ายความรู้สึก อยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์เวลาเราโดนหนามแทงโดนหินทิ่มเท้านะเรารู้สึกปวดนะแล้วดูใจของเราเนี่ยใจมันก็จะทุกข์ไปด้วย ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราในขณะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ความปวดเท้านะมันมีความปวดใจซ้อนไปพร้อมๆกันด้วยแต่คนส่วนใหญ่ไม่สังเกตนะถ้าถามว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรก็จะบอกว่าปวดเท้าแต่ว่าพอถามว่ามีอย่างอื่นอีกไหมที่รู้สึกก็อาจจะบอกไม่มีแต่ถ้าดูดีๆนะ มันมีความรู้สึกไม่พอใจมันมีความรู้สึกโกรธควบคู่ไปด้วยเหมือนกับเราตอนนี้นะ่ยมันไม่ได้มีแค่ความรู้สึกหนาวมันไ ม, มมไม่ได้มีแค่ความรู้สึกทุกข์กายมันมีความรู้สึกไม่พอใจเกิดขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ชัดเจนหรือไม่รุนแรงนะเหมือนกับเวลามีคนมาด่าเราหรือว่าเวลามีความเจ็บป่วยเกิดขึ้น ตรงนี้เป็นโอกาสดีนะที่เราจะได้ฝึกดูกดูกายฝึกดูเวทนาฝึกดูใจนะสติปัฏฐานสเนี่ยเราสามารถจะเห็นอย่างน้อยๆก็สมเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันในขณะนี้อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราณนะเวลานี้นะเป็นประสบการณ์นะที่ เราสามารถจะเรียนรู้ได้ได้เห็นกายมันมันรู้สึกอย่างไรนะเวลาที่มีความหนาวเกิดขึ้นมันมีอาการอย่างไรนะเช่นอาจจะเกรง็งนะหรือว่าขนอาจจะขนอาจจะลุกหรือว่าร่างกายนะมันจะมีการหดตัว เวทนาเป็นอย่างไรนะตอนนี้อาการที่เกิดขึ้นเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยนี่แหละคือทุกขเวทนาแม้มันจะอ่อนๆได้ดูกายได้ดูเวทนาแล้วก็ได้ดูใจเนี่ยตรงที่สำคัญมากนะใจมารู้สึกอย่างไรมันไม่พอใจมันยินร้ายมันเกิดความ เ, าเกิดโทสะขึ้นมาเล็กๆนะจริงถ้าเราเห็นใจนะที่มันยินร้ายนะกับความหนาวเนี่ย หรือว่าผู้อ่านคือเห็นใจมันหนาวเนี่นะมันจะช่วยลดความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราในขณะนี้ได้เลยอย่างที่บอกไว้แล้วว่าในขณะนี้เนี่ยไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราที่เรารู้สึกได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ความทุกข์กายนยมันเป็นความทุกข์ใจด้วยใจมันบนใจมันโอดครวนใจมันโอยวายนะใจมันยินร้ายนะ อาการที่เกิดขึ้นตอนนี้แหละนะมันเป็นเพราะเราเผลอเราไม่มีสติใจมันก็เลยไม่เป็นปกติแล้วเพราะใจบน่นใจวอยวายนะใจพยายามผลักใสทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายหรือผลักใสความหนาวมันก็เลยเป็นการซ้ำเติมตัวเรากายจึงไม่ใช่แค่ดึงไม่ใช่แค่กายหนาวอย่าเยงเดียวนะใจก็หนาวใจก็เป็นทุกข์ด้วย ลองนะมาดูใจนะลองทำใจใเป็นปกติัวใจปกติได้นี่ความทุกข์มันจะลดลงไปเยอะเลยอันนี้ก็เช่นเดียวกันเวลาเราป่วยนะเวลาเราป่วยมันมีทุกขเวทนาทางกายเกิดขึ้นจะเป็นตัวร้อนปวดหัวปวดท้องแล้วคนก็คิดว่ามีแค่นั้นแหละที่จริงไม่ใช่นะ มันมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นด้วยความทุกข์ใจที่เป็นเดือดเป็นร้อนไม่พอใจกับความทุกข์กายที่เกิดขึ้นรวมไปถึงความกังวลความวิตกนะว่าเราเป็นโรคลายหรือเปล่านะมีความกลัวนะเกิดความกังวลขึ้นมาอันนี้ก็ทุกข์ใจเหมือนกัน แต่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นมันรู้สึกแต่ว่ารู้สึกทุกข์รู้สึกทุกข์แล้วก็ไปเหมารวมว่ามันเป็นความทุกข์กายนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยหกเซนต์ของความทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความทุกข์ใจความยินร้ายความไม่พอใจความวิตกความกลัวนะความกังวล ไอ้พวกนี้มันรวมๆกันคนส่วนใหญ่มองไม่เห็นแล้วก็ปล่อยให้ใจเนี่ยนะมันปรุงแต่งแล้วก็กลัวโกรธกังวลนะมันก็เพิ่มเติมเข้ามารุนแรงขึ้นถ้าเราเพียงแต่ว่ามีสติรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจนะเห็นความวิตกเห็นความกังวล นะเห็นความยินร้ายที่เกิดขึ้นเท่านี้เนี่ย ก, ก็ช่วยได้เยอะแล้วนะเพราะว่าอารมณ์พวกนี้เนี่ยพอมันถูกรู้ถูกเห็นเนี่ยมันก็ค่อยๆนะเลือนหายไปนะจิต ท, ที่ว้าวุ่นกระสับกระส่ายก็กลับมาเป็นปกติความทุกข์ใจหายไปเหลือแต่ความทุกข์กาย แลวความทุกข์กายเนี่ยมันก็เป็นแค่ส่วนเสี้ยวเล็กๆนะของความทุกข์ที่เรารู้สึกพอความทุกข์เนี่ยจากร้อยเนี่ยนั้นมันเหลือยี่สิบสาสิบเนี่ยจะรู้สึกสบายจะรู้สึกโปร่งเคยพาคนเนี่ยเดินจงกรมถอดรองเท้าแล้วก็พาเขาไปเดินเหยียบย่ำตรงถนน ที่มันมีกรวดบ้างหรือถนนลาดยางที่ยางมันเลือนหายไปเยอะแล้วก็มีกรวดมีหินโผล่ขึ้นมาหลายคนก็บอกว่าปวดปวดแต่บางคนเพียงแค่เห็นถนนข้างหน้าเท่านั้นแหละมันก็หัวใจเต้นเร็วนะเหงื่อออกขนลุกนะกลัว กลัวว่าจะเจอเจ็บอีกถามเขาว่ารู้สึกยังไงปวดเท้าปวดมากเลยก็บอกเขาว่านะั่นมันแค่นั้นเหรอมันแค่ปวดเท้าเท่านั้นเหรอมาดูที่โอ้มันใจมันทุกข์ด้วยนะใจมันทุกข์ใจมันกลัวนะที่จริงมันมีมากกว่านั้นนะใจมันพยายามผลักไสมันไม่ยอมรับอาการที่เกิดขึ้น ก็บอกเขาว่าเนี่ยนะเป็นเพราะใจเนี่ยนะมันบ่นโวยวายตีโพยตีภายเป็นเพราะใจเนี่ยมันไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีความมันบ่นว่าทาไมต้องมาเดินตรงนี้ไม่เอาแล้วไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวมาเดินตรงนี้ทำไมไปเดินที่อื่นเนี่ยมันมีเสียงร้องอยู่ในใจซึ่งยิ่งยิ่งเท่ากับเป็นการซ้าเติมตัวเองเข้าไปใหญ่ บอกเขาว่าเนี่ยลองดูเนี่ยลองสังเกตเนยใจที่มันบนน่นวายวายเวลาเท้าเหยียบหินเนี่ยจะไปจดจอ่ออยู่ที่เท้าหรืออยู่ที่ทุกขเวทนาทางกายอยู่ตรงจุดที่มันปวดให้มาสังเกตดูใจเท้าเหยียบหินนะแต่มีสติดูใจเราจะเห็นเองเลยนะโอ้ใจมันบน่นใจมันวอยวาย เห็นความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นแค่เห็นเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะเพียงพอที่ใจมันจะกลับมาเป็นปกติยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ต้องผักสายมันนะเป็นไงเป็นกันอา้าวพอใจมันพอใจมันยอมรับได้นี่เราจะเห็นเลยนะว่าความทุกข์มันลดลงความปวดไม่ได้ลดลงนะแต่ความทุกข์มันลดลง นี่หลายคนก็พบว่ามันเป็นอย่างจริงๆนะพอวัดรุ่งขึ้นพอมาเดินใหม่วางใจเป็นให้มีสติดูใจเท้าเป็นอย่างไรมาเป็นเรื่องของเทา้าแต่ให้มาดูใจมีคนหนึ่งก็บอกโอ้คนแก่ใช่0หมเจ็ดบเบอกว่าอพอตอนที่เดินที่ใจมันโล่งเลยมันโล่งมันโล่งที่ใจ ความปวดยังมีอยู่แต่ใจมันโลง่งก็ออยังเดินได้เป็นปกติความปวดยังมีอยู่นะแต่ว่าพอความทุกข์ใจมันลดลงมันก็กลายเป็นเรื่องที่ทนได้ล้วก็จะเห็นด้วยตัวเองนะว่าจริงๆแล้วนี่ไอ้ความทุกข์กายนี่ย ม, มันนิดเดียวแต่ความทุกข์ใจต่างหากนะที่มันเป็นปัญหาแล้วความทุกข์ใจก็เกิดขึ้น จากการที่ไม่มีสติมันหลงนะมันไม่รู้ตัวแล้วก็เชื่เขาเห็นนะว่าความปวดเนี่ยที่จริงเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยนะแลส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็คือการที่จิตมาไปปักอยู่ที่บริเวณที่ปวดใครๆก็ไม่ชอบความปวดนะแต่ว่าใจมันเนี่ย มันจะไปปักอยู่ตรงที่ปวดนั่นแหละปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนใจมันก็จะไปจดจ่อตรงนั้นแหละอันนี้ก็แปลงนะไม่ชอบแต่ว่ากลับจดจอ่อไม่ชอบอะไรก็จดจ่อตรงนั้นเนี่ยก็เหมือนกับเราเนี่ยไม่ชอบความหนาวแต่ตรงไหนที่หนาวนี่ ใ, ใจก็จะไปจดจอ่อร่างกายเราเนี่ยมีเสื้อผ้าห่มคลุมเนี่ยเจ็ดิปดิเอร์ซหรือจะุดเป็นเก้าอร์ซ มีแค่สิบเซนที่มันไม่มีอะไรคลุมก็จะรู้สึกหนาวล้าถามว่าใจเราไปอยู่ตรงไหนไปจดจ่ออะไรมันก็ไปจดจ่อไปตรงที่หนาวเนี่ยจะเป็นที่หัวจะเป็นที่มือก็แล้วแต่แล้วก็บ่นว่าหนาวหนาวหนาวหนาวหนาวในเมื่อหนาวทําไมไม่ไปเอาใจไปจดจออ่ออยู่ที่บริเวณที่มันอุ่นแทนน่าสังเกตว่าทําไมใจเรามันไม่ไปอยู่ ตรงบริเวณที่อุ่นหน้าอกมั่งนะหรือว่าในร่มผ้าตรงนั่นละอุ่นทำไมใจไม่ไปอยู่ทำไมใจไปไม่จดจ่ออยู่ตรงที่มันหนาวซึ่งเป็นเพียงแค่สิอร์ของร่างกายคนไม่ค่อยสังเกตนะแล้วไม่ค่อยตั้งคำถามว่าทำไมที่มันสุขไม่ไปอยู่ทำไมไปอยู่ตรงที่มันทุกข์มันก็เหมือ น, นชีวิตของคนเรานะมันก็มีทั้งสุขและทุกข์บางทีสุขมากก็ทุกข์ด้วย แต่ว่าเวลาเรานึกถึงอดีตเนี่ยเราจะเป็นนึกถึงแต่อดีตที่เจ็บปวดนะประสบการณ์ที่เวลวร้ายความผิดหวังหรือว่าความล้มเหลวการถูกต่อว่าด่าทอไอส่วนที่ดีไม่สนนะไอส่วนที่มันผิดพลาดนะก็กลับตดจอ ย, อยตรงนั้นแหละนี่เป็นเพราะอะไรนะเวลาเดินเหยียบ หินเนี่ยนะหรือว่ามือเนี่ยโดนน้าทิ่มหรือถูกไฟน้าร้อนลวกนะมันก็เป็นแค่จุดเล็กๆนะในร่างกายาที่เป็นทุกข์อีกเก้าส่วนเ้าอร์ซนี่ไม่ได้ทุกข์เลยสบายเป็นปกติแต่ถามว่าใจมันอยู่ไหนใจมันก็มีอยู่ตรงจุดที่เป็นทุกข์นั่นแหละจุดจองนั่นแหละ แล้วก็ไม่รู้ตัวนะบนโอ้ยว่าร้อนเจ็บหนาวนะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วก็ในเมื่อมันนะตรงนั้นเจ็บตรงนั้นปวดแล้วไปจดจอ่อทําไมอั่นจะพูดอย่างคือใจเราเนี่ยมันชอบซ้ําเติมตัวเองมันไวต่อความทุกข์มากนะที่จริงควรจะไวต่อความสุขนะ แต่ที่จเราไปจดจ่อตรงนั้นเพราะอะไรเพราะอยากจะไปผักใส่ปวดเราไม่ชอบก็ยิ่งพยายามผักใส่มันแต่ว่าก็กลายเป็นยึดติดไปยิ่งผักใสก็ยิ่งยึดติดแล้วพอยึดติดหรือจดจอก็ปวดทุกข์โวยวายบนมันไปแบกนะไปแบกเอาความปวดของกายมันเป็นความปวดของใจ เราทุกเนี่ยเพราะเราไปแบกเอาไว้นะใจเนี่ยไปแบกไปยึดเอาไว้ก็ในเมื่อของไม่ชอบนะจะไปแบกมันทำไมในเมื่อน้าแหลมนะจ่อมือไปทิมแล้วทิมอีกทำไมแต่ว่าใจเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นร้อนตรงไหนก็ยิ่งต้องพยายามหนีห่างแต่ว่าใจนี่มันมันกลับ ก็ไปจดจจอคลอเคลียร์แล้วก็บนว่าร้อนบนว่าร้อนบนว่าร้อนตอนมันร้อนอย่างนี้แต่ก็ไม่เคยถามว่าแล้วทําไมใจไปจดจ่อยตรงนั้นทําไมใจไปแบบไปยึดมนันเอาไว้เนี่ยเคยถามบ้างไหมเคยสังเกตบ้างหรือเปล่าถ้าเราสังเกตเราก็จะพออ่อเป็นเพราะใจมันหลงใจมันหลงไม่มีสติ มันก็เลยไปจดจอยตรงที่หนาไปจดจอยตรงที่มันปวดทั้งเรื่ที่ตรงอื่นอีกต้องเยอะแยะนะที่มันไม่หนาวที่มันไม่ปวดเนะี่ยจริงจรแล้วเป็นเพราะเราไม่มีสตินะเป็นเพราะความหลงนี่แหละนะที่ทำให้เราซ้ำเติมตัวเองทำให้ใจเนี่ยมันหาเรื่องมาใส่ตัวไม่ต้องทำอะไรมากนะยังไม่ต้องอยังไม่ต้องทำอะไรกับความร้อนความหนาว นะเพราะบางอย่างบางทีมันก็ทำอะไรไม่ได้แต่ว่าแค่ทำใจของเราเนี่ยแค่ดึงจิตของเราออกมาแทนที่จะจดจ่ออยู่ตรงที่มันหนาวที่มันปวดแทนที่จะจดจ่อหรือไปยึดกับความปวดความหนาวนะก็แค่วางมันลงซะมารับรู้นะให้ตรงบริเวณที่มันสบายสบายซะ หรือว่าไม่ชนะก็มาดูใจนะมาดูใจที่มันวนวเวอย์ไว้เราไม่้ทุกนะเราไม่ทุกใจเพราะอากาศหนาวนะแต่ทุกใจเพราะไปยึดในความหนาวของกายในความทุกข์ของกายเอาไว้ไอ้ที่มันยึดเพราะมันพยายามผลักไสพยายามผลักไสพยายามผลักผลักผักมไม่ไปมันก็เลยกจดจอกนี่แหละยิ่งผลักก็ยิ่งจดจอลองทําใจเป็นกลางๆงดูนะทํำกายเป็นกลางๆงแค่ดูเฉย แค่รู้เฉยๆนะไม่ต้องไปทำอะไรกับความร้อนความหนาวความปวดนะที่เกิดกับกายนะแค่รู้เฉยๆเห็นความปวดไม่เป็นผู้ปวดนะอย่างที่หลวงพ่อ เ, อเขียนว่าเห็นจะเข้าไปเป็นอาการหนาวน้อยมึงมันเป็นโอกาสนะที่เราจะได้ฝึกดูใจนะว่าเราเห็นหรือเข้าไปเป็นแล้ะถ้าไม่เห็นเมื่อไรมันเข้าไปเป็นเมื่อนั้น แล้เป็นมันนั้นก็ทุกข์ใจเลยโอ้ยหนาวๆๆาวนา ว, นาวไม่ไหวแล้วนะแต่ถ้าเรามีสติเห็นเมื่อไหร่นะโอ้มันก็จะรู้แล้ว่าความหนาวเนี่ยมันไม่ใช่ตัวการที่ทำให้เราทุกข์แต่เพราะการเข้าไปเป็นต่างหากหรือว่าการเข้าไปยึดต่างหากที่ทำให้ทุกข์ความเจ็บความปวดของกายก็เหมือนกันนะมันไม่ทําทำให้เราทุกข์ แต่ที่ทุกข์โดยเพราะทุกข์ใจก็เพราะเนี่ยมันเข้าไปเป็นใจมันเข้าไปแบกไปยึดตัวไว้มันมีตัวกูมันปรุงตัวกูขึ้นมาเป็นผู้ปวดผู้ปวดเมือนก็ตอนนี้ ม, นมีตัวกูขึ้นมาเป็นผู้หนาวผู้หนาวให้ตัวกูนี่มันไม่มีจริงนะแต่มันถูกปรุงขึ้นมาเพราะใจเนี่ยใจที่ไม่มีสติมันจะปรุงตัวกูขึ้นมาเป็นผู้หนาว ลองฝึกดูนะฝึกว่าเออเราจะเห็นความหนาวได้ยงไงโดยที่ไม่เป็นผู้หนาวเห็นความทุกข์ได้อย่งไรโดยที่ไม่เป็นผู้ทุกข์ความทุกข์มีนะแต่ผู้ทุกข์เนี่ยหามีไม่นะเนี่ยลองเรียนตรงนี้ดูนะนนการจิตสติมันช่วยได้มากเลยมันช่วยนะทําให้เราอยู่กับทุกข์ได้ออกายทุกข์ไปแต่ใจไม่ทุกข์นะ กายหนาวไปแต่ใจไม่หนาวแค่ตรงนี้แหละที่เราจะได้เห็นว่า อ, อ๋อไอ้ความทุกข์ใจไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกไม่ได้เกิดจากอากาศหนาวแดดร้อนหรือว่ากลวดหินนะแต่เป็นว่าใจที่ไม่มีสติใจที่ไปยึดเอาความปวดของกายมาเป็นความปวดของกู พอปรุงโตกูขึ้นมาแล้วไปเป็นเจ้าของความปวดมันก็เลยเกิดความทุกข์ใจเกิดโทสะเกิดความไม่พอใจขึ้นม า, mm. เ, าเห็นใจตัวเองไหมเวลามันบวยวายเนี่ยนะมันมีกูขึ้นมามีกูซ้อนขึ้นมากูปวดกูร้อนกูหนาวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว ใช่ประสบการณ์ของเราในขณะนี้เนี่ยนะเป็นแบบฝึกหัดในการดูนะดูกายดูเวทนาดูจิตแล้วต่อไปก็จะเห็นธรรมนะแล้วคนร้อนเนี่ยถ้าจะดูจะดูให้ดีนะมันก็ดูจะดูจะดูตัวเองให้ดีเนะี่ยจะศึกษาทำให้ดีเนะี่ยก็ศึกษาเอาตอนที่มีทุกเนี่แหละมันจะเห็น นะมันจะเห็นตัวเองชัดจะได้ความรู้เกี่ยวกับตัวเองชัดมากเลยมีผู้หญิงคนหนึ่งนะแกเป็นโรคที่หาได้ยากเนี่ยกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ปลายประสาทกล้ามเนื้อเนี่ยนะมันไม่ทำงานนอกจากเดินไม่ได้ขยี้ขยับแขนก็ลำบากแล้วบางคนถ้าเป็นหนักๆ น, นี่ การกลืนก็จะมีปัญหาการหายใจก็จะเริ่มติดขัดอย่างพี่งคนนี้เนี่ยการหายใจเนี่ยหายจะได้แค่ส0บอร์เซนอนแบบเรียกว่าช่วยตัวเองไม่ได้ต้องมีคนป้อนข้าวให้มอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกินอายุยี่สิบนะตอนนี้ก็จะสามสิบแล้วที่ก็อยู่ได้ยืนเพราะแกทำใจถูกวางใจเป็น แต่ก่อนก็มีความทุกข์มากนะก า, การนี้นะแต่ตอนหลังก็ยอมรับมันได้ก็มันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจะทำยังไงเลิกบวดเลิกเวายายก็พยายามใช้ชีวิตให้มีให้มีประโยชน์ไม่ใช่แค่ปล่อยให้อยู่ไปวันๆไม่ใช่แค่คิดว่าเพื่อใช้กรรมอางทีลรวก็ ค, คิดแบบนั้นแหละ อยู่ไปก็เต็มไปได้วยความทุกข์ทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นแต่ตอนหลังก็ไม่ปล่อยชีวิให้มันร่องลอยไปเปล่าเปล่าก็พยายามหาอะไรทำมันก็ยากนะคนที่ยิ่งกว่าพิ ก, การซะอีกนะแต่สุดท้ายก็ได้ได้สิ่งที่ได้ทำสิ่งที่ชอบมีคนอ่านนิยายฟัง ก็เกิดไฟขึ้นมาเออทำไมเราไม่เขียนนิยายเองบ้างนี่แกก็เขียนนิยายนะเขียนยังไงนะใช้นิ้วเนี่ยนะใช้นิ้วเนี่ยงอแล้วก็กระแทกกับแป้นพิมพ์กดแป้นพิมพ์โทรศัพท์มือถือกว่าจะได้เป็นตัวนิยายนะไม่ใช้นิ้วกดนะแต่ใช้ไอคอนนิ้วเนี่ยกดตรงแป้นพิมพ์ ทีละตัวทีละตัวทีละตัวจนเขียนเป็นนิยายได้หนึ่งเล่มแล้วขายได้ด้วยได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวจนวันนี้เนี่ยเขียนไปละสิบสี่เล่มกลายเป็นกำลังหลังของครอบครัวนะคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้นะแม้แตป้อนข้าวกินจะไปห้องน้าก็ต้องมีคนอุ้มแต่ไม่น่าเชื่อนะกลายเป็นเสาหลักของครอบครัว รายได้ของครอบครัวก็มาจากนิยายของเธอเนี่ยแม่ตกงานก็ได้อาศัยอาศัยไรายได้ของเธอมาช่วยเลี้ยงดูแลผ่อนส่งบ้านน้องสาวไปเรียนหนังสือก็อาศัยเงินที่เธอหามาได้อน่าทึ่งมากนะคนบางคนมีมือไม้ทุกอย่างนะแต่เป็นภาระเอาแต่เกาะ พ่อแม่มีหนุ่มคนหนึ่งอายุยี่สิกว่าติดติดติดยาติดยาบ้าวันวันไม่ทำอะไรแต่นั่งขอเงินพ่อแม่ขายของก็เอาเงินที่ได้เนี่ยเก็บไปซื้อยาแม่จะพาไปไปไปเลิกยาก็บอกว่าจะมาวัดขอมาวัดแทนพ่อแม่พาลูกชายมาวัดก็ปฏิเสธ แม่ในกุมใจร้องห่มร้องไห้กลัวว่าลูกจะอยู่ยังไงพ่อก็ป่วยไตายวายลูกก็ทำตัวเป็นภาระแต่ตรงข้ามกับผู้หญิงคนที่ว่านะชื่อแพรวันพิการแต่ว่ากลายเป็นสาลองครอบครัวเธอพูดไปดีเธอพูดว่าความทุกข์เนี่ยมันดีกว่าความสุขนะ ความทุกข์เนี่ยมันทำให้เราได้อยู่กับตัวเองทำให้เราได้อยู่กับความเป็นจริงไม่เหมือนความสุขที่ทำให้ใจล่องลอยเลื่อยเปื่อยเอาความสุขนี้ความทุกข์นที่มันทำให้เราได้รู้จักตัวเองเราก็ได้เข้าใจโลกถ้าเธอเรียนจากความทุกข์ได้ไประโยชน์จากความทุกข์คนเรานักปฏิบัติก็เหมือนกันนะ อันนี้ขนาดคนที่ชื่อพระนี่เขไม่ได้เป็นนักปฏิบัติอาชีพหรือว่าไม่ไม่ได้เข้าคอร์สอะไรให้พวกเรานี่เป็นนักปฏิบัติบางคนก็เป็นปฏิบัติแบบอาชีพเลยมาเข้าคอร์สนี่ปีหนึ่งหลายคอร์สหรือว่าบางทีก็มาบวชการบวชนะเป็นนักเป็นพระหรือแม่ชีก็ถือเป็นนักปฏิบัติอาชีพนะคืออาชีพปฏิบัติแต่ว่าพอเจอทุกนี่นะนะกับเสียท่านะพอเจอความหนานี่ปวดเลย อันนี้เรียกว่านะเรายัางวางใจไม่ถูกเราต้องเรียนรู้นะเรียนรู้จากประสบการ์ตัวเองเวลามันทุกข์เนี่ยไม่ว่าหนาวร้อนป่วยเราได้เรียนรู้นะได้เห็นได้เห็ น, เ ห, นเห็นใจนะที่มันรู้สึกลบต่อความหนาวความปวดหรือว่าความทุกข์ทางกายได้เห็นได้รู้ทันเวลามันบน่นโวยวายตีโพยตีภาย ก็ได้เห็นชัดโอ้เนี่ยที่ทุกข์ใจมันไปมันไปยึดเอาความปวดของการมาเป็นความปวดของกูแทนที่จะเห็นมันเข้าไปเป็นเนี่ยนี่เราจะเราจะรู้เราจะเห็นเรื่องเหล่านี้ได้เนี่ยนะก็จากความทุกข์หรือจากประสบการณ์ของเราเวลาเจอทุกข์นั่นแหละใช้โอกาสนี้นะให้เป็นประโยชน์นะในการปฏิบัติ ไม่ใาแต่บนเอาแต่โวยวายกลนดา่าท้องดินฟ้าอากาศทำไมันหนาวไม่น่ามาช่วงนี้เลยอะไรต่างเนี่ยอันนี้เรียกว่าซ้ําเติมตัวเองนอกจากจะไม่ได้ธรรมะอย่างซ้ําเติมตัวเองแต่ถ้าเราใช้โอกาสนี้มาดูใจเออใจเรามารู้สึกอย่างไรความหนาวใจมันบนโวยวายใจมันไปยึดเอาความหนาวความทุกข์ของกายมาซ้ําเติมตัวเอง ท่ารู้ตรงนี้แหละมันจะเห็นทางออกนะกือการมีสตินะแค่รู้เฉยเฉยรู้สื่อๆนะไม่ค่อยไปเป็ น, ปนแค่เห็นก็พอแล้วอ้าวชานี้็พูดงกรเท่านี้อ้าวกราบพร